พระเจ้าพระไปบู์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในวันที่เรามาพบกันก็มาฝึกในการที่จะทรงธรรมะเอาไว้ในใจซึ่งในบางครั้งการที่เราจะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมการที่เราจะทรงธรรมะเอาไว้ในใจของเราได้เนี่ยบางทีมันต้องมีความอดทนอดทนอดกลั้นอยู่อย่างมากทีเดียวความอดทนอดกลั้น ที่บางทีเราต้องทําให้เกิดมีขึ้นเนี่ยอันนี้จะทําให้ธรรมะเข้าสู่ใจของเราได้เหมือนกันถ้ายังกรณีเช่นว่าบุคคลที่อดทนได้ต่อภาษาทางตาภาษาทางหูจมูกลิ้นและกายก็คือทนได้ต่อตาหูจมูกลิ้นกายนีย่จะทําให้เราเป็นผู้ง่ายในการเข้าสู่ในสมาธิทีพระเจ้ า, าเคยตรัสไว้อย่างหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของ การที่ให้เป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิคนที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายคนที่จะฉลาดในการเข้าสู่สมาธิได้เนี่ยแน่นอนคุณธรรมที่เรียกว่าการอดทนต่อรูปอดทนต่อเสียงอดทนต่อกลิ่นต่อรสต่อผลิตภัณฑ์ทั้งหลายห้าอย่างนี้จะทำให้เราควรที่จะเข้าอยู่ในสมาสมาธิได้เพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกในการที่จะ สร้างความอดทนให้เกิดขึ้นให้ความอดทนที่เราทำให้เกิดมีขึ้นนี่ละ่ะจะทำให้เราเป็นผู้ที่ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิได้แต่อย่างหนึ่งคือเรื่องของสติแน่นอนแต่คือตอนไหนที่เรามีเราจะเข้าสู่สมาธิเนี่ยบางคนเข้าโดยที่ไม่รู้ตัวแต่การมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวล า, วาเอาฉันเข้าสมาธิแล้วฉันออกจากสมาธิแล้ว ในการที่เราเข้าไปในสมาธิแล้วเนี่ยแล้วเรามีสติรู้รู้สึกตัวอยู่มีสัมปชัญญะรู้ตัวตัวพร้อมอยู่อันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ทําให้เราฉลาดในการเข้าสู่สมาธิได้วันนี้จึงต้องการจะอธิบายในเรื่องของความอดทนแต่ว่าที่เราบอกว่าอดทนต่อรูปอดทนต่อเสียงอดทนต่อกลิ่นเนี่ยมันอดทนแล้วมันทํำยังไงนั่นคือหลายคนก็จะมี ความเข้าใจเป็นลักษณะว่าการอดทนนั้นคืออะไรที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นเราก็อดทนได้สิ่งที่ไม่ดีเป็นอกุศลเกิดขึ้นเราก็ทนอยู่กับมันอันนี้เข้าใจยังไม่ถูกแต่สิ่งที่พระเจ้าให้อดทนนไม่ใช่ว่าความไม่ดีเกิดขึ้นไหนคาว่าไม่ดีในภาษาไทยเนี่ก็จะกำกวมนิดหนึ่งทําให้คนเข้าใจไปว่าไม่ดีคือสิ่งที่เป็นอกุศลใช่อกุศลนี่มันไม่ดีอยู่ แต่สิ่งที่ไม่ดีนั่นคือเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจแต่อย่างเช่นว่าผัตตาที่ไม่น่าพอใจเช่นอากาศหนาวห้ยหนาวมากหนาวห น, วนวหรือาร อ, อากาศร้อนอากาศร้อนร้อนจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนไอ้ความที่ภัตตาที่ไม่น่าพอใจเนี่ยเราต้องอดทนแต่ก็เรียกว่าต่อผัตตาที่ไม่น่าพอใจแต่ถ้าความไม่ดีที่หมายถึงสิ่งที่เป็นอกุศลเช่นว่าเกียด ความขี้เกียจเกิดขึ้นหรือว่ามีคนโกงเกิดขึ้นแเรามีคนโกงเรามีอำนาจในการที่จะทำได้แต่เราก็อดทนให้เขาโกงต่อไปเอ๊มันไม่ถูกหรือว่ามีความขี้เกียจเกิดขึ้นเออฉันก็อดทนไหมนะดูซิว่าความขี้เกียจจะเป็นยังไงไอความขี้เกียจนิวร์อะไรพวกเนี้สิ่งที่เป็นอกุศลเนีย่ยไม่ใช่ว่าให้อดทนและอยู่กับมันได้ไม่ใช่แต่สิ่งที่เราต้องอดทนและอยู่กับมันได้ คือภาษาที่ไม่น่าพอใจทั่วๆไปแน่นอนไอ้เจ้าอากุศล เ, เช่นว่าความขี้เกียจฮีรีโอตปะการคอรัปชันพวกนี้เป็นสิ่งที่ถ้าคนที่มีฮีริโอตปะเนี่ยคนที่เขามีความกลัวความละอายต่อบาปนี่ยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วจะเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจกับเขาแต่สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมบางอย่างสําหรับบางคนอย่างดีนะสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมบางอย่างสําหรับบางคน ที่เขาเป็นคนที่มีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยเขาก็จะมีกลายเป็นพัสดะที่ไม่น่าพอใจของเขาไอ้พัสดะที่ไม่น่าพอใจตรงนี้นคุณจะต้องอดทนแน่ไอ้พัสดะไม่น่าพอใจแล้วไอ้อกุศลธรรมที่เกิดขึ้นคุณต้องรีบละละเสียนะอย่าเอามันไว้อย่าทรงมันไว้นะกําจัดมันออกไปแตนะ่ถ้ากําจัดได้กําจัดออกไปเกียรติทิ้งไปใช้ความพยายามทุกอย่างในการที่จะเอาสิ่งนั้น ออกไปจากใจของเราให้ได้สิ่งที่เป็นอกุศลนะสิ่งที่เป็นอกุศลแต่สิ่งที่เป็นภายนอกที่มากระทบทั่วทั่วไปเช่นอากาศวาจาที่ไม่น่าพอใจหรือว่าอาการป่วยทางกายที่มันเป็นเรื่องของความทุกข์ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือบางคนมามานั่งสมาธิ นั่งสมาธิอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งถ้าไม่เคยมานั่งสมาธิเนี่ยนั่งไปสักวัน2วันมันมันเมื่อยล่ะพอมันเมื่อยแล้วจิตใจก็มาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นมีความฟุง้งซ่านเกิดขึ้นแล้วทีนี้พอฝึกดีเข้าไปนะทําถูกนะพยายามที่จะละอกุศลธรรมเป็นความไม่พอใจเป็นความหงุดหงิดบ้างละออกไปนะอดทนถูกวิธีเออปัญห า, าที่มันเกิดขึ้นทางกายปุ๊บมันก็ไม่ได้ทําให้ เจ้าอากุศลธรรมเกิดขึ้นนั่งสมาธิผ่านไป5้าวัน6วัน7วันเออมันดีขึ้นมายนั่งอยู่ในท่าเดิมนั่นแหละแต่มันก็ทำถูกขึ้นมาได้พวกนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกในการที่ทำให้มีความอดทนเกิดขึ้นนั่นคืออดทนไว้หิวอดทนไว้หิวนี่มันเป็นภัสสะเฉยมันไม่ใช่เรื่องที่เป็นอกุศลแต่ต้อความเข้าใจตรงนี้นิดนึงหรือร้อนร้อนตรงนี้เป็นผัสสะเฉย แลนะไม่ใช่เรื่องที่เป็นอกุศลแต่บางทีร้อนแล้วมันมีภาษามากระทบปุ๊บมันทําอกุศลให้เกิดขึ้นในใจของเราตรงนี้ต้องแยกแยะ ก, กันนะคือร้อนแล้วบางทีหงุดหงิดเครื่องกโกรธอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะร้อนคุณต้องอดทนแลนะคุณต้องอดทนให้ได้เครื่องโกรธคุณต้องละมันได้อย่าเก็บมันเอาไว้อย่าให้ความร้อนมาเป็นเหตุให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นความร้อนคุณอดทนไว้อยู่กับมันให้ได้ แต่ความโกรธความเครืองที่เกิดขึ้นจากความร้อนคุณต้องละมันได้อย่าเอามันไว้ในใจนะรือหนาวหนาวเป็นผัสสะถูกไหมหนาวแล้วอาจจะทําให้เราขี้เกียจโอ้ยไม่อยากลุกพระก็ขี้เกียจไปบินดาบาัดไอความขี้เกียดนี้ไม่ใช่ให้อยู่กับมันนะให้ละมันแต่ความหนาวคุณต้องอดทนอยู่กับมันได้คือถ้าเราอดทนเป็นแล้วเนี่ยอดทนเป็นนะอดทนถูกเนี่ย ไอ้สิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเนี่ยมันจะมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นความหนาวกับความร้อนถ้าเราอดทนต่อความหนาวเป็นไอ้ความขี้เกียจที่เป็นส่วนของอกุศลเป็นเรื่องของกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเราอดทนต่อความร้อนเป็นอดทนต่อความร้อนเป็นนะเราก็าจะไม่ทําให้ไอ้เจ้าความหงุดหงิดความโกรธเคืองเนี่ยเกิด ข, ข, ขึ้นไม่ได้แต่อย่างตัวอย่างคนที่มาจาก เป็นคนไทยอย่างเงี้ยอยู่ในเมืองร้อนมาตลอดไปประเทศในทางยุโรปไปทางภูมิภาคที่มีอากาศหนาวอุณหภูมิ10องศา15องศาโอ้ยหนาวหนาวนาวมีความขี้เกียจขี้คร้านเกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นคนบ้านเขาสบาย10องศานี่สบายสบายอากาศกำลังดนะีแสดงว่าเขามีความอดทนมีความเคยชินในสภาวะอากาศอย่างนั้นทให้อากูโรธรรมไม่เกิดขึ้นในใจของเขา ในขณะที่เรายังอดทนต่อความหนาวไม่เป็นหรือบางทีเราอดทนต่อความร้อนได้คนที่เขาไม่เคยชินกับความร้อนอุณหภูมิ26 27ิินี่โอ้ยอยู่ไม่ได้อุณหภูมิ30มองศาอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้ร้อนร้อนร้อ น, อนทำอะไรไม่ถูกแล้วโกรธเคืองไปหงุดหงิดแต่ในขณะที่บ้านเราอุณหภูมิ30องศาเออเราก็ยังอยู่ได้ไม่มีปัญหาเอาไปร้อนหน่อยก็ทนเอาคือมันทนได้ไงมันฝึกความทน คมเคยชินตรงนั้นได้ทําให้เราไม่มีอกูสโธธรรมเกิดขึ้นในสภาวะต่างๆเหล่านั้นหรือแม้แต่อาการปวดทางร่างกายแต่คุณนั่งสมาธิาในท่านี้นานๆคนที่ไม่เคยชินพอมันปวดแล้วมันก็จะเริ่มหงุดหงิดละมีความคิดอ่เราต้องหยุดตรงนั้นคือสิ่งที่เป็นอกูสโธธรรมที่จะเกิดขึ้นอันเป็นผลจากผัสสะที่เราทนได้ยากอันนี้เราต้องระวัง ถ้าเราอดทนได้อดทนเป็นนะเราจะป้องกันไอ้เจ้าอากุสัลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าถ้าเราอดทนยังไม่ได้อดทนยังไม่เป็นอกุสัลธรรมเกิดขึ้นเราก็ทนอยู่กับมัน น, นั่นแหะไม่ใช่แต่จังหวะนี้เราต้องละไอ้เจ้าสิ่งที่เป็นอกุสัลธรรมนั้นด้วยโดยกระบวนการต่างๆล่นะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทําให้เราสามารถอดทนได้อดทนเป็นนะอดทนต่อพัทธะที่ไม่น่าพอใจ ภาษาที่ไม่น่าพอใจเราทำความเข้าใจแล้วนะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เป็นอกุศลคนละอย่างกันนะจะเกี่ยวเนื่องกันเป็นผลเป็นเหตุของกันและกันได้อยู่แต่เป็นคนละอย่างกันนอกจากนี้ก็ยังต้องมีความอดทนต่อเหลือบยุ่งลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายแตนะ่บางทีเจอสัตว์ที่ไม่น่าพอใจใช่มมีงูตรงนั้นโอ้ยกลัวๆนะมีภาษาที่ไม่น่าพอใจคืองูเกิดขึ้น กลับมีอกุศลธรรมคือความกลัวอย่างเป็นอกุศลอันนี้ก็แสดงว่ายังอดทนไม่เป็นแต่ถ้าเราอดทนเป็นเห็นงูปุ๊บป้องกันไม่ให้เจ้าอากุศลธรรมไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อันนี้แสดงว่าอดทนเป็นนอกจากนี้ความอดทนยังใช้กันแล้วก็รวมถึงไปในการที่ถูกด่าถูกว่าถูกด่าถูกว่าด้วยถ้อยคำอันหยาบคายร้ายกาศเขาใช้มิจฉาวาจามาทิ่มแทงเบียดเบียน เสียสีเราด้วยวาจาจริงไม่จริงไม่รู้แม่แต่มันจีดเหลือเกินเขาพูดคํานี้มาอย่างนีนะ้พูดมาเสร็จปุ๊บลมที่เป็นคลื่นเสียงเนี่ยมากระแทกหูปึ้งๆรับรู้เข้าไปถึงใจมันจีดจดโกรธบึมบึมบมืนมานี่อ้าวแส่เร อ, อดทนยังไม่ได้นะมีภาษาที่ไม่น่าพอใจปุ๊บทําให้อกุสุลธรรมเกิดขึ้นเป็นความโกรธเราต้องละความโกรดนั่นสิไอ้เจ้าเสียง ที่ไม่น่าพอใจวาจาหยาบคายไร้กาศิ่งที่มาทิ่มแทงทางหูเราต้องอดทนกับมันให้ได้อีกอันหนึ่งในเรื่องของความอดทนที่พระเจ้าอธิบายไว้นอกจากเรื่องของวาจาอหยาบคายไร้กาศแล้วเนี่ยก็ยังต้องเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนาในกายอย่เช่นว่าเรามานั่งสมาธิถ้ามันปวดตรงนั้นปวดตรงนี้แต่ถ้ายังอดทนไม่เป็นเนี่ยมันก็จะทําให้อกุศลธรรมเกิดขึ้นตามมาเป็นความหงุดหงิดบ้างเป็นความ มิจฉาทิฏฐิที่คิดไปว่าโอ้ยจะมานั่งทําอะไรสมาธิทำไมเป็นอย่างนี้นะ่ะคิดไปนู่นละน่ะก็เป็นอกุศลธรรมเกิดขึ้นแตนะ่ถ้าเราอดทนไม่เป็นจะเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเราอดทนเป็นอกุศลธรรมนะ่ะจะไม่เกิดนะเจ้าพวกสิ่งที่เป็นกิเลสความเศร้าหมองที่จะเป็นผลตามมาของความทุกขเวทนาทางกายเนี่ยจะหยุดอยู่ได้จะไม่เกิดขึ้นได้ทีนี้บางคนนั่งสมาธิไปนะ่ะทำถูกวิธีนี่ ทำถูกวิธี3วัน5วันผ่านไปก็นั่งท่าเดิมนั่นแหละแต่ว่าจิตเป็นกุศลอยู่ได้มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ปวดมันก็ปวดอยู่แต่มันเหมือนปวดน้อยลงนะหรือบางคนหายปวดไปเลยด้วยซ้าร่างกายมีการตอบสนองที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะร่างกายมีความเคยชินมากขึ้นอันนี้ก็ จ, จะเป็นส่วนหนึ่งในขณะเดีวยวกันจิตเราก็ได้ทําถูกต้องด้วยแต่มีการอดทนอย่างอย่างถูกวิธี ใ น, นการอดทนอย่างถูกวิธีทําถูกทําได้นั้นก็เลยทําให้อกุศลธรรมนั้นมันดับไปในขณะเดียวกันไอ้เจ้าอากุศลธรรมเราก็ใช้วิธีละวิธีในการที่จะประหารกําจัดมันออกไปมันออกไปแล้วก็ดีแล้วอกุศลธรรมใหม่ที่เป็นผลจากการที่คุณเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นนะเพราะว่ามีการอดทนถูกวิธีหรือตอนนี้เรามีความเข้าใจแล้วนะว่าภาษาที่ไม่น่าพอใจไม่เหมือนกันกับอกุศลธรรม ซึ่งครั้งมันเป็นเหตุเป็นผลกันนี่เข้าใจล้ประเด็นในที่นี้ก็คือว่าอแล้วเราจะจะอดทนอย่างไรนะจะอดทนด้วยวิธีการใดไนะที่เป็นเทคนิคในการที่จะทําความอดทนให้เกิดขึ้นในใจของเราได้นยกตัวอย่างเช่นว่าเารายกน้ําหนักอย่างนี้คุณยกน้ําหนักฝึกในการที่ยกน้ําหนักถ้าตัวว่ากล้ามเนื้อเราไม่แข็งแรงเราจะไปยกน้ําหนักที่มันหนักๆเนี่ยมันก็ยกไม่ได้ทีนีนะ้เราก็ต้องฝึก ในการที่ยกไอ้ของที่มันเบาๆกันเบาๆฝึกไปจนตั้งถึงจุดที่มันจะทนไม่ได้แล้วก็ฝืนเข้าไปฝืนเข้าไปฝืนเข้าไปฝืนเข้าไปนะจนกระทั่งมันมีความชํานาญมีความเคยชินตรงนี้ใช้สว่าเคยชินกับน้นําหนักตรงนั้นนะร่างกายเราปรับสภาพได้ละเราก็ยกน้ําหนักอย่างเนี้ยเป็นเรื่องธรรมดาเราก็ฝึกหนักขึ้นไปแตนะ่ดูคนที่เคยฝึกวิ่งนะดูทางด้านร่างกายกันคนที่เคยฝึกวิ่งเนี่ย ไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยจะไปวิ่งสักสามกิโลเนี่ยนะโอ้โหมันเหมือนกับปอดมันจะหลุดออกมานอกตัวแต่หัวใจมันจะหยุดเต้นอา้าวเราฝึกสามกิโลไปเรื่อยสักเดือนหนึ่งสองเดือนเออมันเริ่มธรรมดาอา่ะต่อไปฝึกหกกิโลพอวิ่งไปหกกิโลสิบกิโลโอ้โหหัวใจมันเหมือนจะหลุดออกมาเอา๊แต่ตอนที่จะมาวิ่งหกกิโลหรือว่าสิบกิโลเนี่ยไอช่วงที่มันผ่านกิโลเมตรที่สาเนี่ย เออมันไม่เหมือนตอนแรกไงแตคือร่างกายเรามีการปรับสภาพความเคยชินเรื่องอุณหภูมิคนที่ไม่เคยอยู่อากาศนาหนาวๆนี่เงี้ยแต่มาเจอบุ้มเข้าไปนี่โอ๊ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ไไดร้อนๆก็เหมือนกันแต่คนที่อยู่ทางเมืองหนาวมาเจออากาศร้อนๆสามสองศานี่โอ้ยเขาอยู่ไม่ได้ต้องเพนต้องหนีนั้นตัวเป็นผื่นเป็นผลอะไรไปอย่างนั้นทีนี้พอเขาอยู่นานเข้ามันมีเหตุจําเป็นให้ต้องอยู่ใช่ไหม อยู่เป็น2ปี3ปี5ปี1 0ปีเออมันปรับร่างกายได้มีความเคยชินขึ้นมาจิตเราไม่ต่างกันเลยเตมูฟังจิตเราไม่ต่างกันเลยแต่เราเจอสิ่งที่อดทนได้ยากเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจอย่างเงี้ยถ้าเราเจออยู่บ่อยๆแล้วนะเราสามารถที่จะอดทนอดกั้นฝืนแะต่ว่าง่ายๆเถอะฝืนให้มันถึงจุดที่อย่าเพิ่งแตกนะอย่าเพิ่งแตกคือหมายความว่า อย่างตัวอย่างที่เรายกน้ำหนักเนี่ยถ้าเราฝืนจนเกินกำลังมันแตกแขนจะหักได้หรือถ้าเราวิ่งจนกระทั่งเกินกำลังของเราบางทีปอดมันอาจจะหลุดออกมานั้งตัวจริงๆแต่ไปถึงจุดที่เราฝืนไปแต่ว่าพอทนได้อยู่ฝืนไปพอทนได้อยู่ฝืนไปในลักษณะที่ถึงจุดที่จะไม่ให้อกุสุรธรรมมันเกิดแถึงจุดที่เรฝืนไปทาไปแต่เช่นเดียวกันในการทาสมาธิเนี่ย คนนั่งสมาธิโอ้ยจิตไม่เป็นสมาธิแต่ก็ฝืนทําไปฝืนทําไปเพราะาการนั่งที่เป็นรูปแบบเนี่ยมันเป็นสิ่งดีเนีเรามาฝึกเป็นรูปแบบเอออย่างน้อยมันยังเป็นการที่ใช้เวลาในการที่จะเพื่อตัวเองเพื่อจิตใจของเราแม้แต่ว่ามันยังไม่ได้มันยังไม่สงบแล้วก็ฝืนไปทําไปสร้างความอดทนความเคยชินให้กับร่างกายให้กับจิตใจของเราเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็ลองอยู่กับมันดูพิจารณาดู เทคนิควิธีที่ปริญาให้ไว้นนในเรื่องการฝึกความเคยชินนี้คืออันหนึง่งอย่างที่2ก็คือเรื่องของอุบຈขาอย่างคนที่เจออากาศร้อนๆ อ, อย่างนี้แต่เราเคยชินแล้วเราก็เฉยนิ่งเฉยอยู่ได้ในอาการนิ่งเฉยอยู่ได้เนี่ยเป็นลักษณะของอุบกขาในขณะที่คนที่ไม่เคยเจออากาศร้อนมาก่อนเขามาเจออากาศร้อนๆโอ้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เขาพัดมาพัดเอ้คนอยู่ในห้องเดียวกันคนหนึ่งร้อนจะเป็นจะตายอีกคนหนึ่งก็เฉยเฉยอยู่ได้ไง ไอ้ความนิ่งเฉยที่ไอ้คนที่สองเขามีอยู่ได้เนี่ยคือลักษณะของอุเบกขาเพราะะฉนั้นถ้าจิตของเราเนี่ยส่งไว้ซึ่งอุเบกขานั่มีอุเบกขาอยู่ในใจมีภาระที่ไม่น่าพอใจมากระทบเออนี่ยคือสภาวะที่เราฝึกในการที่จะทรงอุเบกขาอย่างเวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่เราจําเป็นต้องทนภาษาชาวโลกที่เขาจะใช้ก็คือสภาวะที่จําเป็นต้องทนคือคุณฝึกอุเบกขาไว้ในตัวอย่างที่สที่จะฝึก ใจของเราให้มีความอดทนเพิ่มขึ้นได้เนี่ยก็คือเรื่องของการฝึกเห็นในสิ่งที่เป็นปฏิกูลและก็ไม่ปฏิกูลก็คือสิ่งที่เราไม่ชอบเราพยายามจะพิจารณาให้กลายเป็นสิ่งที่เราชอบนั่นคือเห็นสิ่งปฏิกูลโดยความไม่ปฏิกูลแล้วฝึกอีกในการที่จะเห็นสิ่งที่ไม่ปฏิกูลสิ่งที่เราชอบในความเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบนั่นคือฝึกในการเห็นที่สิ่งที่ไม่ปฏิกูลโดยความเป็นปฏิกูล เช่าอาหารอร่อยๆที่เราสั่งมาอย่างเงี้ยแหมมันสวยงามมันดีมันน่ากินอเห็นมันเป็นปฏิกูลใช่ไหมแต่นมันเป็นของเน่าเปื่อยมันเป็นอุจจาระออกมามันจะสภาพเป็นยังไงทาเป็นเส้นเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วมันเป็นเส้นผมจะเป็นยังไงทาเป็นต้มกระดูกหมูเอาใส่ฟันเข้าไปด้วยฟันมนุษย์นี่แหละมันจะเป็นยังไงเราพิจารณาดูให้ของที่เราชอบกินชอบดูชอบดื่มชอบดม กลเป็นปฏิกูลได้ไหมแต่ตรงนี้จะช่วยฝึกให้เราทรงอุเบกขาได้ในทางกลับกันของปฏิกูลเราเห็นมันเป็นความไม่ปฏิกูลได้ไหมของปฏิกูลเช่นดินอย่างเงี้ยอะไรอะไรที่มันเป็นสกปรกกองขยะหรือซอกมุมไหนของบ้านที่มันไม่สะอาดเราไม่น่าพอใจใยแมงมุมพวกนี้คุณไปเห็นมันพิจารณามันโดยความที่เป็นไม่ปฏิกูลได้ไหม พิจารณาย่านี้แต่ อ, อย่างหนึ่งคือเรื่องของที่จะละทั้งเจ้าปฏิกูลไม่ปฏิกูลแล้วก็ทรงอยู่ในอุเบกขาแตนะ่การที่ฝึกในการที่จะไอปฏิกูลก็ไม่เอาไม่ปฏิกูลก็ไม่เอานะไม่เห็นทั้งสองอย่างแล้วก็เห็นโดยความเป็นอุเบกขานะเป็นขั้นตอนไปนะอย่างข้อข้อที่3เนี่ยเป็นขั้นตอนเป็น3ระดับนะเริ่มจากการที่เห็นของที่ไม่ปฏิกูล ด้วยความเป็นปฏกูลก่อนเห็นของสวยงามด้วยความเป็นของไม่สวยงามไซะก่อนเราถัดมาก็คือเห็นของที่ไม่สวยงามเนี่ยด้วยความเป็นของสวยงามเลยนะตรงกันข้ามกันเลยแล้วก็ฝึกในการที่จะเห็นของที่ทั้งสวยงามก็ตามไม่สวยงามก็ตามเราให้ใจเราอยู่อุเบกขาในความอุเบกขาที่เราฝึกได้ตรงนี้แหละจะทําให้เรามีความอดทนได้อีกประการหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจในเรื่องของความอดทนนั่นก็คือว่า คือไม่ใช่ว่าอดทนแล้วก็จะไม่ทําอะไรนะไม่ใช่นะอดทนในที่นี้คือหมายความแค่ว่าอดทนต่อพัสสะที่ไม่น่าพอใจนะไม่ใช่อดทนต่ออกุศลธรรมนะคือถ้าอากุศลธรรมมันเกิดขึ้นเนี่ยคุณต้องล้ะมันจะ้ะคุณต้องทําในการที่จะให้อกุศลธรรมนี้มันมันหายไปมันดับไปเช่นสมมุติว่าในหมู่คณะในวัดอย่างเงี้ยมีพระที่ทําไม่ดีเกิดขึ้นแนะพระที่ทําไม่ดีตรงนั้นเอาความไม่ดีเกิดขึ้นแก่เขาละ ทีนี้ความไม่ดีเกิดขึ้นแกเขาแล้วก็ไอ้ภาษาที่มันเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นภาษามากระทบเราถูกไหมพอเป็นภาษามากระทบเราเราเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจนี่ใช่ไหมเราจะจี้ขึ้นมาเนี่ยเราต้องอดทนต ร, ตรงนี้อย่าให้ใจของเราเนี่ยมันฮึมฮมขึ้นมาต้องอดทนในขณะเดียวกันในการที่เราพิจารณาดูเขาผู้นี้ให้เขาทาไม่ดีให้เขาทาไม่ ด, มดีมันก็จะเป็นความไม่ดีกับเขาเราจะพิจารณาทํำยังไง ในการที่จะช่วยให้เขาออกจากความผิดนี้ได้แต่ น, นี้เราควรจะต้องทําต้องมีการกระทําทางกายหรือการกระทําวาจาในลักษณะที่จะให้เขาคลายความขัดเคืองคลายความผิดที่เกิดขึ้นในใจเขาได้ให้โอกาสครั้งที่หนึ่งครั้งที่2องถ้าไม่ได้ก็ต้องเอาตัวออกไปนไล่ออกไปเป็นลักษณะนั้นเพราะการอดทนไม่ใช่ว่าอยู่อดทนอยู่ไปโสกปกโสกปกก็อยู่ไปไม่เช็ดทาความสะอาด มีอะไรเน่าเน่าก็เก็บเอาไว้อดทนอยู่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นนะของเน่าเๆ่าของที่เป็นอกุศลของที่แย่แย่ของที่สกปรกเราต้องเอาออกไปอดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจที่อาจจะเกิดขึ้นกับอกุศลธรรมนั้นอดทนไว้อดท น, ทนต่อภาษะที่ไม่น่าพอใจอันจะอาจจะเกิดจากคนอนื่งกระทำอดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจอันเกิดจากดินฟ้าอากาศอดทนต่อภาษาที่ไม่น่าพอใจ อ, อันเกิดจากสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อื่นที่มันจะทํา แต่เราจะไม่ทนต่ออกุศลธรรมที่จะเกิดขึ้นอันเกิดจากภาษะนั้นๆเราจะต้องละอกุศลธรรมเหล่านั้นออกไปด้วยวิธีการใดๆก็ตามแล้วจใจเราทรงอุเบกขาให้ได้ทรนะงอุเบกขาไดนะ้เวลามีสิ่งใดมากระทบเรานิ่งเฉย อ, อยู่ได้เป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเลิศการอดทนอดกลั้นที่เราฝึกสร้างขึ้นมาเนี่ยจะต้องให้เราละกิเลสได้ แต่คือเป็นกระบวนการเลยท่านผู้ฟังนใจเราอดทนต่อผัทธะอดทนต่อความหนาวความร้อนอดทนต่อวาจาอหยาบคายไร้กาศคนด่าเราคนว่าเราแต่ถ้าเราผิดจริงเราต้องแก้ไขนะถ้าเรามีอกุศลธรรมอย่างที่เขาด่าว่าเราจริงๆริงเราต้องแก้ไขเราต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นออกไปแต่พัทธะที่ไม่น่าพอใจเราต้องทนอยู่กับมันให้ได้และถ้าเกิดสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม ต้องทำทุกวิถีทางทำทุกกระบวนการที่จะกำจัดมันออกไปแต่ถ้าภาษะที่ไม่น่าพอใจอยังอยู่เราก็ฝึกฝึกฝึกใจของเราแต่ต่อไปเราก็อยู่กับภาษะที่ไม่น่าพอใจนั้นได้เอ๊ะมันก็ไม่ใช่ว่ากลายเป็นภาษาที่พอใจแต่มันก็ไม่ใช่ภาษาที่ไม่น่าพอใจองไงแต่วิธีการกระบวนการที่เราค่อยคอย่คยฝึกค่อยๆ่อ ย, อยทำไปเนี่ยจะทําทให้ความโอดทนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรามีความเคยชินกับสิ่งที่เป็นภาษะต่างๆ่างนักอดทนเนี่ยมีแต่จะเพิ่มเท่านัง เราอดทนไม่ไมีจะลดเพั้นคาพูดที่บอกว่าโอ้ยฉันทนไม่ได้แล้วอันนั้นไม่ใช่อย่างนั้นมันอาจจะเป็นแค่ว่าอย่างเรื่องของสุขภาพอะเมื่อก่อนคุณเคยนั่งสมาธิได้3าสี่ชั่วโมงเอ้ยพอร่างกายมันเปลี่ยนแปลงไปจะไปนั่งสมาธิสามสี่ชั่วโมงอย่างนั้นมันมันยากละมันทําให้ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้นะปวดแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนเรียบทใช่ไหมตัวนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่มีความอดทนแต่เป็นการฝึกที่จะไม่ให้อกุสุธรรมมันเกิดขึ้น อยสมรรภาพของร่างกายถ้าเรามันเสื่อมไปเนี่ยจะไปวิ่ง10กิโลยีกิโลสากิโลเมตรอย่างที่เคยวิ่งมาเอมันก็ไม่ได้มันก็ต้องหยุดก่อนที่จะถึงตรงนั้นเพื่อที่จะไม่ให้อคุสลธรรมมันเกิดขึ้นบางทีเราไปถึงจุดนั้นอกุสลธรรมเกิดขึ้นหรือร่างกายเป็นอะไรไปเราก็ต้องพิจารณาดูให้ดีคนที่บอกว่าอดทนไม่ได้แล้วตบาบะแตกอันนั้นคือหมายถึงว่าเวลาที่เราเจออคุสลธรรมต่างหากแต่คนนั้นที่เขาพูดเนี่ยเขาคงจะหมายถึงอกุสลธรรมที่เกิดขึ้นในจิต เออล้วยังไม่รู้วิธีในการที่จะนํามันออกหาวิธีในการนําออกไม่ได้จนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วจะต้องกําจัดมันออกไปแต่คงจะเป็นลักษณะนี้ที่หมายถึงแตนะ่ทําให้ถ้าเรามีความเข้าใจที่ชัดเจนเรื่องของภาษา ท, ที่ไม่น่าพอใจนะว่ามันไม่เหมือนกันกันกบเรื่องของอกุศลธรรมเราจะกําจัดเจ้าอากุศลธรรมนี้ออกไปตั้งแต่แรกเลยแต่จะไม่มีสภาว่าที่คุณจะมาบอกว่าทนไม่ไหวทนไม่ไหวนะเพราะว่าเรายังผสมกันอยู่ แต่คนที้บอกว่าทนไม่ไหวทนไม่ไหวนะแล้วก็จกนกระทั่งดีแตกตะบะแตกเนี่ยหรือว่าอดทนแตกทนไม่ได้แล้วนั่นคือเข้าข่ายในลักษณะว่าคุณรู้วิธีในการที่จะต้องกําจัดอกุโซลธรรมออกไปแล้วนะอกูโซลธรรมยังไงต้องเอามานาันออกไปนะเราจะไม่ทนอยู่กับเรื่องของอากูโซลธร ร, รมอกุโซลธรรมไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมาอดทนเอาไว้ไม่ใช่อากุโซลธรรมเป็นเรื่องที่เราจะต้องกําจัดมนันออกไปตั้งแต่แรกเลยถ้าคุณรู้คุณเห็นมันมีอยู่ ต้องรีบกําจัดมันออกไปแล้วสิ่งที่เราต้องทนสิ่งที่เราต้องอดกั้นได้นั่นคือภาษาที่ไม่น่าพอใจต่างหานแตนะ่ซึ่งบางทีมันมาด้วยกันมันมาเนียนกันเราต้องแยกแยะออกไปให้ได้แตนะ่เราปฏิบัติถูกปฏิบัติได้จิตใจเราสูงส่งปฏิบัติถูกปฏิบัติเป็นนะกิเลสออกจากใจของเราปฏิบัติถูกแล้วความอดทนมีแต่จะเพิ่มแต่นะอดทนเป็นกําลังของจิตต็มฟังแต่นะอดทนเป็นกําลังของจิตที่ ถ้าเราปฏิบัติได้แล้วเนี่ยความเคยชินมีขึ้นในใจความเคยชินมีขึ้นในกายเนี่ยจิตใ จ, ใจเรามีแต่จะเจริญขึ้นคือแน่นอนแหละร่างกายของเรามั น, มนเสื่อมถอยลงไปตามสภาพความอดทนกักลั้นทางร่างกายมันก็เสื่อมถอยไปตามสภาพแต่ถ้าใจของเรามีความเด็ดเดี่ยวมีความห้าวหาญมีความอดทนเป็นเลิศอย่างนี้แล้วเนี่ยวาจาที่ไม่น่าพอใจหรือผัสสะที่เป็นเป็นความทุกข์ทางกายจะเกิดขึ้นอย่าง ล้แข็งเจ็บแสบเผ็ดร้อนจนกระทั่งเกือบที่จะจะตายเลยล่ะจนที่จะนำไปสึงเสียซึ่งชีวิตเนี่ยเราก็ยังจะทนต่อพัสะเหล่านั้นได้ทนในลักษณะที่จะไม่ให้อกุสุรธรรมเกิดขึ้นถ้าไม่มีอคูสุธรรมในใจเราจิตเราจะไม่แตกจิตเราจะไม่เข้าในลักษณะที่ทนอะไรไม่ได้อย่างผิดๆแต่ซึ่งถ้าทนอย่างผิดเนี่ยก็คือทนเก็บอคูสุรธรรมเไว้มันไม่ใช่เราทนอย่างถูกต้อง ่คือทนต่อผัสสะความอดทนของเรายิ่งจะเพิ่มยิ่งจะเป็นเลิศใ้เรื่องของอากุศลธรรมอย่าไปทนกับมันแต่กำจัดมันออกไปเอาความชั่วออกจากจิตเอาอากุศลธรรมออกจากจิตอย่าให้อดทนของเราแตกอย่าให้อดทนของเราลดเพราะว่าความอดทนนั้นเป็นสิ่งดีเป็นกุศลธรรมด้วยเป็นสิ่งที่เราควรจะทรงไว้ในใจเป็นสิ่งที่เราเมื่อเราทาถูกทาได้แล้วอากุศลมีแต่จะลดความเศร้าหมองจิต อันเป็นเครื่องที่จะทำให้จิตเศร้าหมองมีแต่จะออกไปนั้นด้วยการอดทนทําให้ถูกบางทีมันต้องใช้กับการละละสิ่งที่เป็นอกุศลแต่อดทนต่อภันธะที่ไม่น่าพอใจสตินี่แหละตัมบูฟังสติจะเป็นตัวที่จะช่วยเรานะให้เลือกแยกแยะนะเรอดทนต่อสิ่งใดไม่อดทนต่อสิ่งใดละสิ่งใดนะแล้วไอ้ความที่เราอดทนได้นี้จะเป็นประโยชน์มหาศาล จะทำให้เราได้สมาธิแต่ทําให้เราเป็นผู้ฉลาดในการเข้าสู่สมาธิเป็นหนึ่งในการที่จะทาให้สมาธิของเราเพิ่มขึ้นได้ด้วยและท่านท่า น, านผู้ฟังมีคําถามข้อเสนอนดใดเราก็ให้ส่งมาได้โดยเขียนจดหมายหรือปริศนยียบัตรมาที่วัดป่า ด, ดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ปดตะมนตดอนหายโศกอาเภอหนองานจังหวัดอุดรธานีรหัสปรษณีสี่หนึ่หรือว่าไปที่เว็บไซต์ p พียวธรรมะ com p u r e d h a เอเมเม่ข้าวชาวก็ขอลาไปก่อนเจริันบ่อ